เล่มนี้เป็นหนังสือหายากผลงานของอร์สาโนนตอนเสียงสั่งนับจากวันนั้นคุณกริตกลายเป็นแขกประจำบ้านเกือบทุกเย็นหลายครั้งที่มาแล้วพบฉันมีแขกอยู่แล้วบางวันก็แทบจะเรียกได้ว่ามีงานเลี้ยงน้อยๆย่อยๆในบ้านฉันแต่บรรดาผู้ชายที่มาเยี่ยมเยียนต่างรู้กฎของฉันที่ว่าเลยเวลาสองทุ่มแล้ว ไม่ต้อนรับใครทุกคนจะต้องกลับฉันมีเด็กรับใช้คนจีนอยู่คนหนึ่งซึ่งรักษาหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมฉันได้สั่งเด็กคนนี้ไว้ว่ากังเวลามีแขกผู้ชายมาหากังคอยดูเวลาไว้นะถ้าเวลาสองทุ่มเมื่อไหร่กังเข้าไปเก็บถ้วยน้าแล้วปิดหน้าต่างห้องรับแขกทันทีนะวันหนึ่งหลังจากแขกคนอื่นกลับแล้วคุณกรตยังนั่งคุยเพลินอยู่ พอได้เวลาเจ้ากลางเดินหน้าตายเข้ามาเก็บถ้วยน้ำแล้วปิดหน้าต่างหน้าตาเฉยคุณกลิตมองตาค้างอย่างโกรธและไม่พอใจเต็มที่ฉันเลยต้องอธิบายกฎของบ้านให้ฟังและบอกว่าฉันรักษาเกียรติของแม่ไม้ที่จะไม่ให้ใครมาตาหนิได้ว่าคบเพื่อนชายจนข้ามมืดไม่เว้นแต่ละวันพอฟังเหตุผลแล้ว คุณกฤิตกับพอใจและกล่าวคำขอโทษแล้วจึงลากลับแต่ทิ้งท้ายไว้ว่าหวังว่าคงไม่มีกฎห้ามถ้าจะขอโทรศัพท์มาเยี่ยมมาคุยด้วยระยะนั้นฉันหนักใจเรื่องนี้มากมีคนที่เพื่อนฝูงเชียร์มากรวมทั้งรองนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นก็ร่วมเชียร์ทูตคนหนึ่งเป็นพ่อไม่ยาเมียแหม่มเป็นผู้ใหญ่หน้าตาบุคลิกดี กำลังจะถึงเทอมที่จะออกไปประจำต่างประเทศอยู่คนหนึ่งทูตคนนี้ก็รู้สึกติดใจชั้นมากคนที่สองคือพ่อค้าแยกกันอยู่กับภรรยากำลังจะหย่ากันคนคนนี้บุคลิกสู้ท่านทูตไม่ได้แต่ฐานะก็ดีและสมองดีข า, ขายเก่งมากติดต่อการค้ากับชั้นเป็นประจำแล้วบุคคลที่ชั้นอ่อนใจมากก็คือคุณกลิช คุณพ่อคุณแม่พี่ๆต่างพากันขอร้องให้ฉันตัดสินใจแต่งงานเสียทีคนที่มาชอบล้วนแต่ดีๆแต่เกือบทุกคนต่างเชียร์ให้แต่งกับท่านทูตและให้รีบตอบรับปากเสียแต่งแล้วจะได้ไปฮันนีมูนที่ต่างประเทศเลยใจของฉันก็เอียงไปทางพ่อค้าเพราะเรามีงานการค้าติดต่อกันเกือบทุกวันติดอยู่ที่เขาอย่างมิได้อยาเป็นทางการ ข้างคุณกฤิตนั้นฉันก็ไม่ได้ถูกใจอะไรนะักเพราะเป็นข้าราชการนี่จะทำอย่างไรดีเล่าชักเป็นโรคนอนไม่หลับหัวถึงหมอนปับ๊บเป็นต้องคิดวกวนจนดึกดื่นบางวันมีงานสำคัญแต่เช้าก็ตื่นไม่ไหวพอดีลูกสาวที่เมืองนอกเขียนจดหมายมาบอกว่ากำลังอยากจะย้ายจากโรงเรียนที่เรียนอยู่ไปเข้าโรงเรียนใหม่แต่ผู้ดูแลยังไม่อนุมัติ ขอให้แม่ขึ้นไปช่วยเจรจาให้หน่อยถ้าแม่ไปได้จะดีใจมากฉันกำลังหัวหมุนกลุ้มใจอย่างหนักอยู่ด้วยเลยตัดสินใจกระทันหันสั่งเลขาให้บุกตั๋วเครื่องบินเดินทางไปหาลูกดีกว่าจำได้ว่าเป็นกลางๆเดือนสิงหาคมวันไปทั้งคุณกฤษตและพอ่อค้าตางก็ไปส่งที่สนามบินคุณกฤตให้กลองส่องทางไกลไว้ไปดูม้าแข่ง ที่ออสเตรเลียส่วนพ่อค้าได้นำซองใส่ดอลล่ดเต็มซองมามอบให้ฉันคุณกฤิตซึ่งเคยศึกษาที่ประเทศอังกฤษเคยได้เดินทางรอบโลกมาแล้วได้แนะนำว่าไปออสเตรเลียแล้วคงจะไปดูม้าแข่งเขาถือเป็นกีฬาพวกผู้ดีเขาไปกันต้องแต่งตัวสวยๆด้วยและที่น่าขันสำหรับฉันตอนนั้นก็คือคุณกรตมอบซองแบนๆให้ฉันใบหนึ่ง พอไปเปิดดูบนเครื่องบินกลายเป็นรูปคุณกลิตแต่งเครื่องแบบเขียนหลังรูปว่าอย่าไปนานจนลืมคนทางกรุงเทพที่จะเฝ้าคอยรับกลับนะครับพอเครื่องบินเคลื่อนที่เริ่มออกบินฉันรู้สึกตัวว่าจิตเป็นอิสระที่สุดเบาหวงสบายปลอดโปร่งใจที่สุดฉันทิ้งงานทิ้งเรื่องร้อยแปดไว้ข้างหลังหมดสิน้นนับแต่นาทีนั้นและตั้งใจว่า จะอยู่กับลูกให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ในระหว่างเวลาที่อยู่ไกลจากผู้คนที่รุมล้อมทั้งหมดนี้บางทีฉันอาจจะมีเวลามากพอที่จะพิสูจน์ใจตัวเองว่าขณะที่ฉันอยู่คนเดียวที่แดนไกลจะเป็นใครคนไหนที่นึกถึงและสมควรที่จะแต่งงานด้วยฉันลืมเล่าไปว่าขณะนั้นฉันย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านตึกหลังใหม่แล้ว ใครๆในซอยเอกมัยยกให้ว่าเป็นบ้านที่สวยที่สุดเนื้อที่500กว่าตารางวาสนามสวนฉันจัดไว้สวยมากมีโทรศัพท์ด้วยยิ่งบ้านใหม่นี้เสร็จฉันยิ่งมีแขกเพิ่มจนหน้าเบื่อนายเมื่อตัดสินใจไปเมืองนอกเพื่อไปหาลูกนั้นฉันเพิ่งย้ายเข้าไปอยู่ได้ไม่ถึงสองเดือนตลอดเวลาที่อยู่ที่เมืองนอก คุณพ่อคุณแม่ซึ่งได้เป็นผู้มาเฝ้าบ้านใหม่ให้ได้เขียนจดหมายไปเล่าให้ฟังว่าระหว่างที่ฉันไม่อยู่นั้นเห็นไม่อยู่สองคนเท่านั้นที่แวะเวียนมาเยี่ยมถามสารทุกสุขดิบคุณพ่อคุณแม่เสมอคือพ่อค้าคนนั้นและคุณกลิดแต่คนที่มาเยี่ยมเกือบทุกวันคือคุณกฤิดซึ่งแต่เดิมคุณพ่อไม่ยอมสนับสนุนเลยส่วนคุณแม่กลับบอกมาในจดหมายว่าผู้ชายคนนี้ ยิ่งครบไปแล้วยิ่งรู้สึกถูกชะตาเป็นคนซื่อซื่อดีและสนใจในธรรมะด้วยมีอะไรหลายอย่างคล้ายคลึงกับลูกฉันรู้สึกผิดหวังลึกๆที่คนที่ออกปากฝากฝังให้ช่วยดูแลคุณแม่คุณพ่อคือพ่อค้าแต่เขากลับไม่ทำแต่กลายเป็นคุณกิจที่ฉันไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ไปได้ฉันเขียนจดหมายถึงพ่อค้าต่อว่ามาด้วย แต่ตอนนั้นใกล้จะกลับเมืองไทยแล้วเลยไม่ได้รับจดหมายตอบวันที่กลับคือวันที่13ตุลาคมปี2497ตรงกับวันตารวจพอดีฉันไม่ได้บอกใครเลยนอกจากโทรเลขมาบอกคุณแม่ให้ส่งรถไปรับที่ดอนเมืองและห้ามบอกใครทั้งสิน้นจำได้ว่าคืนวันนั้นเวลาประมาณสี่ทุ่มเศษมีรถมาจอดหน้าบ้าน กดกลิ่งและถามหาฉันแต่คนสวนบอกยังไม่กลับคนสวนเล่าว่าดูท่าทางหัวเสียและผิดหวังมากยังถามด้วยว่ารู้ไหมว่าเมื่อไหร่คุณผู้หญิงจะกลับ mm hmm. เมื่อได้รับการปฏิเสธก็นั่งอยู่ในรถเฉยเป็นเวลานานแล้วจึงออกรถไปคนคนนั้นก็คือคุณกรีฑคนดีของคุณแม่ตามเคยนั่นเองฉันกลับมาหลังจากไปอยู่กับลูกสาวเสียเกือบสองเดือน งานที่บริษัทข้างๆพอดูแต่สำคัญที่สุดก็คือต้องกลับมาทำบุญวันเกิดพร้อมกับทำบุญขึ้นบ้านใหม่ด้วยฉันเกิดวันที่22ตุลาคมทางบ้านได้เตรียมนิมนต์นพระคือท่านเจ้าคุณวัดพระศรีมห า, าธาตุการเตรียมงานต่างๆคุณแม่รายงานว่าคุณกฤิดรับเป็นผู้จัดการทุกอย่าง ทางบ้านก็เตรียมแค่อาหารเลี้ยงพระและของถวายพระกับเลี้ยงแขกเท่านั้นวันงานคุณกริตก็เป็นผู้ไปรับท่านเจ้าคุณและพระอื่นๆมาแต่เช้าการที่คุณกริตทำอย่างนี้ทำให้ฉันเข้าไปผูกพันและติดหนี้บุญคุณคุณกริตมากขึ้นทำให้ฉันไม่สบายใจอย่างยิ่งถ้าจะปฏิเสธการขอแต่งงานเมื่อคุณกฤตเอ่ยปากวันเกิดฉันพอขาคนนั้นก็มา และยกตู้เซฟอย่างดีที่สุดขนาดกระทัดรัดมาให้ฉันเป็นของขวัญซึ่งก็ยังใช้อยู่จนบัดนี้คุณโชตคุณนากเกษมซึ่งเป็นทั้งเพื่อนและพี่ที่สนิทฉันรักและนับถือมากได้โทรศัพท์มาขอให้ไปทานข้าวด้วยเย็นวันหนึ่งหลังจากวันงานทำบุญวันเกิดได้ไม่กี่วันเมื่อไปถึงเด็กบอกท่านให้เชิญคุณไปพบข้างบน ฉันชักสงสัยเพราะปกติแล้วเราจะสนทนากันชั้นล่างในห้องรับแขกบ้างที่ลานกว้างหน้าบ้านบ้างเป็นประจำฉันแน่ใจว่าวันนี้ต้องมีอะไรพิเศษแน่ๆการคาดคะเนไม่ผิดจริงๆพี่มีเรื่องสำคัญมากจะคุยกับน้องและอยากจะคุยเป็นส่วนตัวเลยเชิญขึ้นมาข้างบนขณะนั้นคุณโชต์เอาเสือไปปูมีหมอนเ อ, นเอกเนก์อยู่ที่ชั้นบน เอ่ยขึ้นเป็นคำแรกเมื่อฉันนั่งลงบนเสือเรียบร้อยแล้วก็พูดต่อไปอีกว่าตลอดเวลาที่น้องคลองตัวเป็นไม้มาเกือบสี่ปีพี่ได้จับตาดูความประพฤติและการเคลื่อนไหวของน้องอยู่เสมอพี่ขอชมอย่างจริงใจว่าน้องเป็นผู้หญิงที่รักษาตัวดีมากทำมาหากินเลี้ยงลูกทำตัวสะอาดหมดจดดีมากพวกเราเพื่อนๆต่างก็กล่าวขวัญถึงน้องเสมอ ความจริงแม้ว่าน้องจะไม่แต่งงานใหม่น้องก็อยู่ได้ยังมีความสุขไปจนตายพี่ก็ทราบดีว่าน้องได้ปฏิเสธการขอแต่งงานกับคนดีๆไปทุกรายแต่น้องยังสาวและสวยด้วยการครองตัวอยู่อย่างนี้คำคอรหานนินทา ม, มันก็ย่อมมีจากคนที่ผิดหวังจากเราฉะนั้นพี่อยากจะขอร้องให้น้องตัดสินใจแต่งงานเสียเถิดคนที่พี่เห็นดีที่สุดก็คือคุณกลต ซึ่งเป็นคนที่พี่รู้จักดีเราไปรู้จักกันตอนที่ไปนิวยอร์กเป็นคนซื่อมือสะอาดฐานะก็พอทัดเทียมกันคุณกรีตนี่เราถือว่าเป็นสามีตัวอย่างทีเดียวเป็นคนไม่ดื่มไม่เสเพลไม่เล่นการพนันไม่เจ้าชู้ถ้าน้องได้แต่งงานกับคนคนนี้พี่ก็ถือว่าน้องโชคดีมากพี่ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วท่านก็เห็นดีด้วยดูสิ งานวันเกิดของน้องก็เป็นทุระให้ทุกอย่างทุกอย่างเรียบร้อยน้องตัดสินใจได้หรือยังว่าจะเลือกใครระหว่างพ่อค้ากับคุณกฤิฉันแปลกใจมากพี่โชตรู้ได้อย่างไรว่าฉันยังมีพ่อค้าคนนั้นอยู่ในใจฉันนั่งฟังจนพี่โชตพูดจบแล้วจึงเอ่ยปากถามไปว่าพี่ทราบได้อย่างไงคะว่าน้องมีคุณนี่มาติดต่ออยู่พี่โชอตอบทันทีว่า พี่รู้จักกับพี่เขยพี่สาวเขาดีพี่เขยเขาก็อยากได้น้องไปเป็นสะใยมากแต่ติดอยู่ที่ภรรยาเก่าเขายังไม่ยอมอย่ายังหาทางออกไม่ได้แม้จะแยกกันอยู่นานแล้วแต่เขาก็มีลูกด้วยกันพี่พีเขาก็ไม่ชอบภรรยาคนนี้เลยเข้ากับญาติทั้งสามีไม่ได้เป็นคนแข็งกระด้างทามาหากินก็ไม่เป็นแต่เรื่องอะไรน้องจะแต่งงานใหม่ทั้งทีคนชั้นเราแล้ว อย่าไปให้มีชื่อว่าเป็นบุคคลที่สามไม่ดีกว่าหรือฉันก็เลยถามอีกว่าแล้วพี่ทราบได้อย่างไรละคะว่าคุณกริดเขาอยากแต่งงานกับน้องเขาอย่างไม่ได้เอ่ยปากอะไรกับน้องสักคำเลยพี่โชตยิ้มก่อนตอบว่าคุณกฤิเป็นคนฉลาดรอบคอบแกรู้ว่าน้องนับถือพี่มากและพี่ก็เป็นเพื่อนรักกับสามีน้องมากแกก็มาหาพี่ระหว่างที่น้องไปเยี่ยมลูกที่เมืองนอก แกมาขอให้พี่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายแกให้ไปขอน้องจากคุณพ่อฉันก็เถียงไปว่าเขาชอบน้องก็จริงแต่เขาจะแน่ใจได้อย่างไรล่ะคะว่าน้องจะเป็นภรรยาที่ดีของเขาได้พี่โชดขยับตัวลุกขึ้นนั่งตัวตรงตอบว่าเออแปลกมากนะเรื่องพันนี้พี่ก็ไม่ค่อยเชื่อแต่แกเล่า ว, ว่าเมียแกมาเข้าฝันแกบอกว่าน้องนะ่ะเป็นคนดี ให้พยายามขอแต่งงานด้วยให้ได้แล้วแกบอกว่าทุกวันนี้แกนอนหลับตาลงทีไรจะเห็นแต่หน้าของน้องวนเวียนอยู่ตลอดเวลาจนแกนอนไม่หลับและกลุ้มใจมากกลัวว่าน้องจะปฏิเสธแกบอกว่ามีผู้หญิงมาหาแกที่บ้านทำนองเสนอตัวมาแบบจะได้มีความสัมพันธ์ด้วยแล้วจะได้มาเป็นภรรยาใหม่แกบอกแกเลือกไม่ลงสักราย ฝันอยู่แต่น้องนี่แหละน้องเชื่อเรื่องอย่างนี้ไหมฉันฟังแล้วก็ทบทวนเหตุการณ์ต่างๆทั้งคำทํานายของเจ้าพ่อหลักเมืองความฝันหมอแว่นฟ้าอาจารย์เทอมฉันก็ตอบเลี่ยงๆไปว่าก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างคะ่ะแต่เรื่องนี้น้องถือเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะแต่ตัดสินใจเร็วๆไม่ได้จะลองปรึกษาลูกสาวที่เมืองนอกดูก่อน เพราะถ้าลูกไม่เห็นด้วยความสงบสุขก็จะไม่เกิดแน่และถ้าแต่งแล้วก็ต้องอยู่กันจนตายถ้ามีปัญหาเรื่องลูกมันจะเกิดปัญหาโลกแตกขึ้นเปล่าๆวันนั้นชั้นลาคุณโชดกลับพร้อมกับพกปัญหาหัวใจมาเต็มสมองจนอื้ออึงไปหมดนี่มันอะไรกันทำไมวิญญาณของภรรยาเก่าของเขาจึงวนเวียนอยู่กับเรื่องของฉันอย่างนี้หมอแว่นฟ้าก็บอกให้ฟังห น, หนึ่งแล้ว แล้วความฝันของฉันอีกล่ะใครๆก็ไม่รู้ดีเท่าตัวฉันเองว่าฉันกำลังเดินเข้าไปในกรอบที่ถูกวิญญาณและพระพรหมได้ลิขิตชีวิตฉันลึกเข้าไปทุกทีจนแทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากที่กลับมาจากบ้านคุณโชธมาถึงบ้านรถของคุณกลิตจอดรออยู่แล้วชักนึกหมันไส้ขึ้นมาเห็นซื่อๆอย่างนี้ที่ไหนได้แอบไปเข้าหาคนสาคัญ เตรียมการเสียงเงียบเชียบทีเดียวเดี๋ยวเธอจะต้องต่อว่าเสียบ้างอยากจะฟังนักว่าจะแก้ตัวว่าอย่างไรรถของคุณกฤิตจอดอยู่หน้าตึกคุณกริตเองนั่งอยู่ที่ลานบ้านข้างห้องรับแขกส่วนฉันนั่งรถเข้าบ้านเลยเข้าไปในโรงรถก็พอดีเด็กรับใช้มารายงานว่าคุณพ่อค้ามาหาฉันก่อนสักครู่ก่อนที่คุณกฤตก็มา เด็กบอกว่าเห็นคุยกันอยู่พักหนึ่งพ่อขาก็กลับไปโดยสั่งไว้ว่าพรุ่งนี้จะไปขอพบที่บริษัทฉันเดินเข้าบ้านทางห้องอาหารออกไปพบคุณกฤิพอพบกันฉันก็บอกว่าเพิ่งกลับมาจากบ้านคุณโชตเท่านั้นเองกำลังนั่งอยู่แท้ๆก็ผุดลุกขึ้นยืนทันทีสีหน้าบอกเลยว่าตกใจและกังวลฉันเป็นคนไม่ชอบพูดอ้อมค้อมเสียด้วย คงไม่พอใจแล้วไม่เก็บความรู้สึกเลยฉันก็เปิดฉากต่อว่าทันทีทำไมคุณถึงทำอย่างนี้คุณไปหาคุณโชดคุณโชดก็พูดปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่จนตกลงกันดิบดีทั้งๆ ท, ที่ฉันเองเป็นคนสำคัญในเรื่องยังไม่ได้รับฟังเรื่องนี้จากปากคุณสักคาหนึ่งเลยแล้วฉันก็ไม่ใช่เด็กสาวที่อยู่ในปกครองของพ่อแม่มีสิทธิอิสระของตัวเองเต็มที่แล้ว ที่จะตัดสินใจทําอะไรได้ด้วยตัวเองคุณคิดหรือแน่ใจแล้วหรือว่าการเข้าหาคุณโชดจะทําให้ฉันตกลงด้วยคุณกฤิดละล่ำละลักจนฉันเกือบจะสงสารรีบตอบเสียงสั่นทีเดียวที่เห็นฉันไม่พอใจผมขอโทษเถิดครับที่ทําอย่างนั้นความจริงผมยังไม่ได้คิดจะไปหาท่านหรอกแต่บังเอิญไปพบท่านและภรรยาไปทานอาหารที่ราชวงศ์นั่งโต๊ะใกล้กัน ช่วงนี้ผู้เขียนได้เล่าเกล็ดเพิ่มเติมให้อ่านกันว่าสมัยนั้นที่ราชวงศ์ถนนเยาวราชเป็นที่ที่คนชั้นผู้ดีจะแวะไปกินอาหารกันเป็นประจำและเป็นสถานที่แห่งเดียวที่หนุ่มสาวจะมีโอกาสได้รู้จักกันและได้สมรสกันภายหลังวิธีกินอาหารก็จะนั่งอยู่ในรถยนต์เป็นส่วนใหญ่ถ้ามีรถที่เปิดประทุนได้ก็จะเปิดประทุนแล้วสั่งอาหารให้เด็กยกอาหารใส่ถาด มีที่แขวนกับขอบประตูรถมาแขวนให้พร้อมสับทั้งน้ำปลาน้ำส้มน้ำตาและน้ำดื่มและเมื่อนั่งอย่างนั้นตางก็เป็นเป้าสายตาของคนที่สนใจจะมองเห็นได้เต็มที่ต่อไปฟังเรื่องของคุณกฤิตต่อนะครับท่านจำผมได้ตอนที่ท่านไปที่นิวยอร์กผมอยู่ที่นั่นได้บริการท่านพาท่านเที่ยวหลายแห่งท่านชวนผมไปทานข้าวที่บ้านถามสารทุกสุกดิด และบอกมีอะไรจะให้ช่วยก็ขอให้บอกผมเลยถือโอกาสเผยความในใจของผมที่มีต่อคุณและขอให้ท่านช่วยท่านก็รับปากและบอกจะนํามาปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่วันนั้นผมก็ยังไม่ได้ไปเรียนถามท่านเลยว่าเรื่องเป็นอย่างไรบ้างก็พอดีคุณกลับมาจากนอกคุณอย่ากโกรธผมเลยผมไม่มีใครจริงๆที่จะช่วยผมได้แต่อย่างไรก็ตาม คุณก็คงมองเห็นเจตนาของผมแล้วว่าผมไม่ได้คิดเหลวไหลกับคุณผมรักคุณรักคุณเป็นที่สุดกรุณาเถิดครับกรุณาแต่งงานกับผมโปรดอย่าตอบปฏิเสธผมเลยนะครับฉันคิดว่าจำคำพูดเหล่านี้ได้เกือบหมดและยังจำภาพที่คุณกฤิยืนถือแก้วน้ำประจันหน้ากันขณะนั้นเป็นเวลาเกือบทุ่มหนึ่งแล้วเรายืนพูดกันมีแสงสลัวสลว ที่ยังเหลืออยู่พอมองเห็นหน้ากันแต่กระนั้นก็ยังสามารถมองเห็นแววตาที่เต็มไปด้วยแววอ้อนบอนได้ถนัดจําได้ว่าฉันได้ตอบไปมันไม่ง่ายนักนะคะที่จะให้ดิฉันตอบคุณเราก็ต่างเป็นผู้ใหญ่มากแล้วด้วยกันทั้งคู่จําได้ว่าเราได้ย้ายเข้าไปนั่งที่ห้องทานข้าวและได้พูดคุยกันทานอาหารด้วยกันแต่วันนั้นคุณกฤิตได้รับคําตอบไปแต่เพียงว่า จะ ต, ต้องคิดดูและจะปรึกษาลูกสาวของฉันที่อยู่เมืองนอกดูก่อนอีกด้วยคืนนั้นเมื่อเขานอนได้แต่นอนลืมตาโพลงคิดลำดับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นและผ่านมาแล้วดูดูแล้วมันยังกับเรื่องนิยายมันเป็นไปได้อย่างไรกันนี่ฉันฝันถึงเขาตั้งแต่ไม่รู้ว่ามีเขาอยู่ในโลกแต่ก็มีตัวตนขึ้นมาจริงๆแล้วเมื่อกี้ เขาคนนั้นได้มาเอ่ยปากขอแต่งงานกับเราจริงๆนี่มันเป็นความจริงแล้วหรือที่เจ้าพ่อหลักเมืองได้เคยทํานายไว้นอนหลับตาทําจิตให้แน่วแน่อยู่เงียบๆสักครู่ก็เกิดเสียงกระซิบที่หูขวาบอกว่าลุกขึ้นไปที่หน้าบูชาพระเดี๋ยวนี้ลุกขึ้นสิฉันรีบลุกจากเตียงเดินไปที่ห้องพระพอไปถึงก็มีเสียงสั่งว่า รับสินห้าก่อนฉันก็จุดธูปก้าดอกบูชาสวดอรหังสัมมาและรับสินห้าแล้วนั่งรอก็สั่งว่าทำสมาธิฉันก็ยกมือประนมขึ้นโจดหน้าผากขอบารมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็นั่งสมาธิยังมิทันจะเข้าสมาธิดีเลยก็มีเสียงบอกที่หูอีกว่าเจ้ากับเขาตามกันมาเกิด เพื่อมาเป็นคู่กันจงรับปากแต่งงานกับเขาเถิดอย่าคิดหนีเขาเลยเจา้าหนีไม่พ้นหรอกเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงเดียวกับทุกครั้งที่เคยได้ยินรู้สึกขนลุกไปหมดเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเลยไม่นั่งสมาธิต่อกาพระแล้วรีบเข้านอนใจเต้นอยู่เป็นนานจึงหลับไปเมื่อเวลาเกือบตีสองคืนนั้นฉันนอนหลับไม่ลงทันทีนั้น ก็ น, นึกถึงหลวงพ่อพลิงนึกอย่างใจจดจ่อว่าเจ้าประคุณขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดลงมาช่วยลูกตัดสินใจด้วยเถิดลูกไม่รู้จะคิดอย่างไรถูกแล้วรุ่งขึ้นเช้าฉันตื่นขึ้นมาเมื่อนาฬิกาบอกเวลาเกือบสิบโมงแล้วแม้จะตื่นสายปานนั้นแล้วแต่ยังรู้สึกอ่อนเพลียมากยังไม่อยากลุกจากเตียงเลยรู้สึกคอแห้งมากจึงกดกลิ่งที่หัวนอนเรียกเด็กต้นห้อง เป็นที่รู้ว่าถ้ากร่งดังเด็กจะต้องนำน้ำส้มขันขึ้นมาพร้อมหนังสือพิมพ์ไม่ถึงอึดใจเด็กก็ขึ้นมาพร้อมกับโน้ตว่ามีใครโทรศัพท์กันมาบ้างใบรายการนั้นมีพ่อค้าสองครั้งคุณกฤิดหนึ่งครั้งฉันดื่มน้ำส้มแล้วบอกเด็กให้เปิดสวิตช์โทรศัพท์ที่หัวเตียงทันทีเสียงโทรศัพท์ซึ่งคงดังอยู่แล้วก็ดังขึ้นเด็กรับสายบอกว่า คุณพ่อค้าโทรศัพท์มาเมื่อรับก็มีเสียงถามอย่างเป็นห่วงว่าทำไมจนป่านนี้ยังไม่ไปบริษัทผมนั่งคอยชั่วโมงกว่าแล้วคุณเป็นอะไรหรือเปล่าผมอยากพบคุณด่วนที่สุดมีเรื่องสำคัญจะพูดด้วยฉันอ่อนใจขึ้นมาเฉยๆรู้สึกว่ามันล้าไปหมดทั้งจิตใจและร่างกายไม่อยากทำอะไรไม่อยากพบใคร ระอาต่อการต้องฟังคนนั้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนั้นเบื่อต่อการต้องตอบต้องคิดที่จะตอบเลยบอกไปว่าขอโทษเถอะวันนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายจะไม่ไปบริษัทคอยพบกันวันอื่นได้ไหมพอ้ารีบตอบทันทีผมจะต้องเดินทางไปอเมริกาอาทิตย์หน้านี้ผมอยากชวนคุณไปดูงานกับผมด้วยแล้วคุณก็ยังไม่ได้ไปเที่ยวอเมริกา เราจะดูงานการค้าแล้วก็ไปทัวร์อเมริกากันขากลับแวะอังกฤษสักสองสามวันคุณไปกับผมนะถ้าเป็นวันก่อนๆ ก, ก่อนที่ฉันจะได้ยินเสียงกระซิบที่หูเมื่อคืนนี้ฉันซึ่งกำลังเบื่อเมืองไทยเบื่ออะไรอะไรคงจะตอบรับคำด้วยความยินดีแต่นี่มาถึงตอนนี้ใจมันไม่กล้าเสียแล้วกลัวว่าถ้าฉันร่วมเดินทางไปกับพ่อค้าคนนี้ ความสัมพันธ์มันจะต้องเป็นผลในทางบวกมากขึ้นจะเกิดข้อครหาจากผู้คนที่กําลังสนใจเราทั้งสองอยู่ไปในทางลบเป็นแน่แล้วคุณกริตเล่าเขาเป็นคนที่เหมือนกับเทวดาอุ้มสมมาให้เมื่อเขารู้ว่าฉันไปทัวยุโรปกันสองต่อสองกับพ่อค้าคนนี้แล้วพ่อค้าก็เป็นเสมือนคู่แข่งอยู่คุณกริตเขาจะคิดยังไงคุณชดก็ดี คุณพ่อคุณแม่จะมีแต่ความแคลงใจในการไปครั้งนี้อย่างช่วยไม่ได้ในเมื่อฉันเป็นไม้มิปล่อยใจปล่อยกายให้พ่อขาในโอกาสนี้หรือถูกแล้วฉันมีสิทธิส่วนตัวเต็มที่ที่จะปล่อยตัวกับใครก็ได้ที่พอใจแต่นั่นมันไม่ใช่คนอย่างเราที่จะประพฤติเลยนอกจากไม่ประพฤติแล้วยังรักเกียรติกลัวอายและไม่ยอมทำอะไรที่เป็นการไฝ่ตำเป็นอันขาดอีกด้วย ถ้าตอบรับไปเท่ากับเปิดโอกาสให้พ่อค้าคนนี้ถือสิทธิในตัวฉันมากขึ้นและความใกล้ชิดสนิทสนมในระหว่างร่วมทางกันทุกวี่ทุกวันใครจะรู้ว่ามันจะไม่ทำให้ฉันเกิดใจอ่อนลงได้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นฉันคิดอยู่เป็นครู่ใหญ่ทางโน้นก็เร่งเรา้าขยันขยอให้รับปากอยู่ไม่หยุดเลยตัดใจตอบออกไปว่า อยากไปเหมือนกันเพราะกําลังเบื่ออะไรๆรอบตัวไปหมดแต่ว่าอย่าดีกว่าเพราะคุณไม่ใช่คนตัวเปล่าลูกเมียคุณก็มีถ้าขืนไปด้วยกันเมียคุณจะมาชี้หน้าว่าฉันได้คุณไม่มีอะไรที่จะเสียแต่ฉันจะเป็นฝ่ายเสียหายมากเสียทั้งชื่อเสียงเกียรติยศเท่าทีผู้หญิงไม้ตัวเล็กๆจะพึงมีก็จะไปทัวร์กับลูกสาวดีกว่า เสียงทางสายหยุดไปอึดใจแล้วก็พูดว่าผมจะไปหาคุณเดี๋ยวนี้แลนะแล้วจะขอกินข้าวกลางวันด้วยคนผมวางหูนะครับเออดีจริงนะคนเรานี่ทำไมช่างเห็นแกตัวกันเหลือเกินเราก็บอกแล้วว่าไม่สบายทําลืมเสียนี้แล้วยังจะมาอยู่จนถึงเวลาอาหารกลางวันอีกด้วยวางหูลงด้วยความรู้สึกที่สับสนเต็มทีฉันอาบน้าแต่งตัวเสร็จ ลงไปข้างล่างนั่งอ่านหนังสือพิมพ์พอขาก็มาถึงมานั่งอ้อนวอนอยู่นั่นขอร้องแต่ให้รับปากว่าไปคําเดียวทุกอย่างจะจัดให้หมดเรียกว่าฉันไม่ต้องใช้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวทำให้รู้สึกอัดอั้นตันใจเป็นที่สุดเพราะใจฉันเอ็นเอียงอยู่กับคนคนนี้เป็นทุนอยู่บ้างแล้วทนอ้อนวอนไม่ไหวเกือบจะรับปากอยู่แล้วเสียงกระซิบก็เกิดทันทีว่า อย่านะไปไม่ได้คนคนนี้เขาจะไม่มีทางเลิกกับเมียเขาหรอกเราจะเสียใจภายหลังอย่าไปอย่าไปฉันรู้สึกหัวใจมันหดหู่ลงทันทีที่ได้ยินเสียงลี้ลับนี้บอกและฉันก็เข็ดหลาบเสียแล้วกับการที่ไม่เชื่อเสียงกระซิบนี้เลยต้องปฏิเสธพ่อค้าไปอย่างช่วยไม่ได้ซึ่งทําความผิดหวังให้แก่เขาเป็นที่สุด ฉันมองเห็นน้าตาที่ซึมอยู่ในตาเขาทั้งสองอย่างชัดเจนรู้สึกสงสารและทรมานใจอยู่ไม่น้อยเหมือนกันและวันนั้นไม่รู้ว่ามีอะไรมาโดนใจให้บอกพ่อค้าคนนั้นไปว่าดิฉันตัดสินใจแล้วที่จะแต่งงานเขาตกใจมากถามทันทีว่าจริงจริงหรือนี่ฉันพยักหน้าเขาก็บอกว่าถ้าผมเดาไม่ผิดคุณจะแต่งกับคุณกรีใช่ไหม ฉันก็พยักหน้าอีกมันช่างแปลกจริงๆเพราะตามเหตุผลนะ่ะคนที่ควรจะรู้เป็นคนแรกก็ควรจะเป็นคนที่จะมาเป็นเจ้าบ่าวของฉันจึงจะถูกแต่นี่กลายเป็นคู่แข่งของเขาที่ได้รับรู้ก่อนเป็นคนแรกไปแต่แปลกยิ่งไปกว่านั้นอีกที่พอพูดออกไปอย่างนั้นแล้วและเมื่อพ่อค้าคนนั้นลาไปแล้วฉันก็ยังนั่งนิ่งอยู่กับที่จิตใจเหม่อลอยบอกไม่ถูก แต่ลึกลงไปในใจจริงๆมันกลับเหมือนกับได้ยกสิ่งหนึ่งที่แบกหนักอยู่เป็นเวลานานออกไปทั้งตัวและอัวใจทำให้ตัวและใจเบาสบายขึ้นอย่างประหลาดเย็นวันนั้นคุณพ่อคุณแม่มาหาที่บ้านมาพูดหารือเกี้ยกร่อมฉันถึงเรื่องนี้อีกซึ่งคราวนี้คำตอบที่ท่านทั้งสองได้รับทำให้ท่านพอใจเป็นอันมาก ในที่สุดคุณแม่ก็เป็นผู้จัดหาเริกวันมั่นและกำหนดวันแต่งงานวันมั่นนั้นจำได้ว่าเป็นวันที่28พฤศจิกายนปีพศ2497และเราได้แต่งงานกันอย่างสมเกียรติในวันเสาร์ที่23มกราคมปีพศ2498ที่โรงแรมโอเรียนเต็นฉันยังจำติดตาว่าคุณโชตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายคุณกฤิด มาทำพิธีพูดขอและขอมัน่นคุณพ่อลุกขึ้นตอบว่ายินดีไม่ขัดข้องขณะที่คุณกฤิดสวมแหวนมั่นให้ฉันด้วยแหวนเพชรน้ำงามหนักเจ็ดกรัสนั้นดวงตาทั้งสองของคุณกฤิดก็เต็มไปด้วยน้ำตาแห่งความปลื้มปิติลืมเล่าไปหน่อยหนึ่งว่าก่อนจะได้เข้าพิธีตามเลิกที่คุณแม่หาให้นั้นมีเวลาเตรียมตัวเป็นเดือน ฉันได้เขียนจดหมายเล่าความเป็นไปให้ลูกสาวที่เมืองนอกได้รับรู้และในจดหมายนั้นขอให้ลูกรีบตอบกลับมาถึงแม่โดยเร็วด้วยว่าขัดข้องไหมที่แม่จะแต่งงานใหม่ถ้าไม่เต็มใจแม่ก็จะยังไม่แต่งจะรอให้ลูกได้มีโอกาสวิษณะกับผู้ที่จะมาแทนที่พ่อเสียก่อนแล้วค่อยคิดแต่คําตอบที่ลูกตอบมาทําให้ฉันสบายใจและเบาใจมากลูกแก่โตพอที่จะรู้จักคิดถึงอนาคตของแม่ว่า แม้ว่าคุณแม่จะมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่พร้อมแล้วแต่คุณแม่ก็ยังขาดคู่คิดและผู้ที่จะอยู่เคียงข้างคุณแม่เมื่อยามแก่เท่าหนูเองก็คงจะต้องแต่งงานสักวันหนึ่งข้างหน้าแม้ว่าหนูจะไม่แยกบ้านออกไปจากคุณแม่แต่ก็เป็นเรื่องไม่แน่ของอนาคตถ้าหนูต้องติดตามผู้ที่จะมาเป็นสามีไปอยู่ที่อื่นในหน้าที่ของเขาสำหรับตัวคุณกิจนั้น หนูกลับคิดว่าคุณแม่โชคดีกว่าสาวๆอื่นอีกเยอะเลยที่คุณแม่จะได้เขามาเป็นคู่เพื่อนนักเรียนหนูที่นี่เป็นญาติทางภรรยาเก่าเขาบอกว่าเป็นคนดีมากเป็นสุภาพบุรุษแบบคนอังกฤษทีเดียวศึกษาและอยู่ประจำที่ประเทศอังกฤษตั้ง12สองปีเพราะฉะนั้นหนูเชื่อว่าคุณแม่จะมีความสุขขึ้นเป็นแน่และหนูเองก็ไม่ผิดหวังที่คุณพ่อคนใหม่จะเป็นนักเรียนนอก จากอังกฤษก็เหมือนคุณพ่อที่จากไปฉันไม่ผิดหวังจริงดังที่ลูกสาวกล่าวคุณกฤษตเป็นสุภาพบุรุษที่น่ารักและน่านับถือจริงๆเพื่อนๆเขาก็ล้วนแต่คนดีๆมีความรู้ตำแหน่งการงานดีกันแทบทั้งนั้นในวันแต่งงานยังมีเพื่อนผู้ใหญ่จากประเทศอังกฤษบินมาร่วมในงานสมคนพี่โชตและภรรยามาร่วมในงานด้วยใบหน้าอิ่มเอิบดีใจที่ฉันได้คู่ที่ดี ฉันยังจำได้แทบทุกกระเบียดของความเป็นไปในวันนั้นคิดถึงทีไรก็ทำให้รู้สึกมีความสุขและอบอุ่นใจชื่นใจอยู่ทุกครั้งสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นหนังสือเสียงที่ชื่อว่ายานวิเศษจากอดีตชาติผลงานของอรสานน์ EP ที่5ตอนที่เมืองนอก หลังจากแต่งงานกับคุณกริตแล้วคุณกริตได้ย้ายมาอยู่บ้านฉันส่วนบ้านของคุณกริตก็ได้จัดให้ฝรั่งสถานทูตเช่าไปในราคาเดือนละ 6,000 บาทในสมัยนั้นชีวิตครองเรือนใหม่ของฉันได้ค้นพบว่าผู้ชายคนนี้ช่างเกิดมาเพื่อเป็นคู่ชีวิตโดยมิต้องสงสัยเรามีรสนิยมเดียวกันแทบทุกอย่างแม้แต่อาหารก็ชอบเหมือนกัน เราจะใช้เวลาวันหยุดเข้าวัดหาพระทำบุญวันเสาร์กลางคืนเราจะไปทานอาหารที่โรงแรมโอเรียนเตนแล้วเลยเข้าห้องแบมบูบาร์เกือบทุกเสาร์บางวันเป็นวันอาทิตย์ก็จะไปปิกนิกตามชานเมืองตอนหลังนี้ฉันไม่ค่อยมีเวลาไปบริษัทยอย่างแต่ก่อนนอกจากเวลาใกล้โคต้าจะออกจึงจะไปพบลูกค้าที่นัดมารับโคตา และจัดการเรื่องรายได้ที่ส่งข้าวต่างๆนำมาจ่ายค่าโคตา้าถ้าฉันจำไม่ผิดเพียงไม่กี่เดือนหลังจากแต่งงานท่านรัฐมนตรีก็ออกจากตำแหน่งฉันก็เลยเลิกกิจการแผนกนี้เปลี่ยนเป็นสัางเรือใหญ่มาจากญี่ปุ่นเพื่อมาบรรทุกทั้งสินค้าและรับชาวอิสลามไปเมืองเมกกะเพื่อนมัสการตามประเพณีเก่าแก่ของเขา แต่กิจการระยะหลังนี้ไม่ค่อยจะราบลื่นนักเพราะกระทบกระเทือนจากกระแสแห่งการเมืองด้วยฉันเริ่มเบื่อหน่ายอิทธิพลของคนบางกลุ่มที่ใช้อิทธิพลในทางที่ผิดและอีกหลายๆเหตุผลฉันก็เลยเลิกกิจการของทั้งหมดทิ้งไว้แต่แผนกชิปปิง้งแผนกเดียวซึ่งก็ได้โอนกิจกา ร, รแผนกนี้ให้กับพ่อค้าคนนั้นให้รับทอดไปทาแทน ในเวลาต่อมาฉันใช้ชีวิตเป็นแม่บ้านเลี้ยงดูลูกอย่างเต็มภาคภูมิเมื่อลูกชายคนเล็กอายุได้สองขวบสามีก็ต้องไปดูงานและเรียนหลักสูตรเกี่ยวกับงานที่ทำเพิ่มเติมที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ฉันเลยตัดสินใจเรียกลูกสาวกลับเมืองไทยและอพยพครอบครัวประกอบด้วยพ่อแม่ลูกสามคนใช้หนึ่ง เดินทางไปพำนักอยู่ในเมืองโลซานประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองโลซานเป็นโซนที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสซึ่งฉันได้เรียนมาเลยได้มีโอกาสนำมาใช้อย่างดีที่สุดก่อนออกเดินทางจากประเทศไทยคุณกฤิดได้ติดต่อกับบริษัท Big ริม Go กได้ติดต่อสั่งรถยนต์เบนซ์จากเมืองสตุตการ์ประเทศเยอรมันไว้ล่วงหน้าเพื่อครอบครัวเราจะได้ใช้เวลาพำนักอยู่ในต่างประเทศ เวลาไปถึงเมืองโลซานเราไปพักที่โรงแรมเก่าแก่ชื่ออเล็กซานดราทิ้งลูกๆ ก, กับคนใช้ไว้ที่นั่นส่วนเราสองคนบินไปสตุตการ์ไปรับรถเบนท์ที่สั่งเอาไว้คุณกฤิตเป็นผู้ขับผ่านเมืองต่างๆจากเยอรมันกับโลซานเรามีชีวิตที่แสนสุขอบอุ่นพร้อมหน้ากันเรารักใคร่กลมเกลียวกันลูกสาวฉันก็รักน้องใหม่เล็กๆสองคนมาก ไม่มีปัญหาขัดแย้งใดๆทั้งสิน้นส่วนทางเมืองไทยได้ขอร้องและมอบหมายให้คุณโชตเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินรายได้ต่างๆทั้งหมดให้คุณโชตก็ได้กรุณารับภาระนี้ด้วยความเต็มใจทั้งๆที่คุณโชตเองก็มีภาระทั้งชีวิตครอบครัวและหน้าที่ตำแหน่งการงานที่สูงมากอยู่แล้วซึ่งฉันยังซาบซึ้งไม่หายตราบจนทุกวันนี้ เราใช้ชีวิตไปต่างประเทศอย่างไม่เดือดร้อนเรื่องเงินเลยเพราะรายได้เรามากกว่ารายจ่ายมากเรามีบ้านให้ฝรั่งเช่าหกหลังของชันสี่หลังและของคุณกฤิตสองหลังยังมีเงินเหลือเก็บไม่ต้องถอนเงินจากธนาคารออกมาใช้เลยเงินที่นำไปฝากไว้ในธนาคารประเทศสวิตนี้นอกจากเราจะไม่ได้ดอกเบี้ยแล้ว เรายังต้องเสียค่ารักษาเงินให้กับธนาคารทุกปีอีกด้วยโดยเขาจะส่งบินมาเก็บเป็นรายเดือนเลยซึ่งเป็นพิธีการที่แปลกมากขณะที่พำนักที่โลซานสมเด็จพระชนนีและพระพี่นางก็ประทับอยู่ที่วิลล่าพัฒนาและต่อมาได้ส่งย้ายจากวิลล่ามาประทับอยู่ที่แฟลตเราสองคนได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระชนนี โดยการนำพาของราชเลขาส่วนพระองค์สมัยนั้นชื่อคุณอเนกศาสตราภัยคุณอเนกผู้นี้มีอัธยาศัยนุ่มนวล น, น่าเคารพมากตอนรู้จักกันท่านซึ่งสูงอายุกว่าเราได้เข้ามาทักก่อนด้วยเมื่อได้ยินเราคุยกันเป็นภาษาไทยเราจึงสนิทสนมกันอย่างรวดเร็วมากเพราะถูกอัธยาศัยซึ่งกันและกัน เมื่อเราปรารภว่าอยากจะขอเข้าเฝ้าสมเด็จพระชนนีคุณอนเนกจึงจัดการพาไปโดยได้ขอพระราชทานอนุญาตจากองค์ท่านแล้วสมเด็จพระชนนีท่านสมแล้วที่ประชาชนคนไทยเทิดทูนบูชาท่านท่านไม่ทรงถือองค์เลยท่านทรงพูดคุยกับเราสองคนอย่างสนิทสนมและยังได้พระราชทานจานกระเบื้องกลมๆเล็กๆ โดยมีลายเพ้นจากฝีพระหัตขององค์ท่านแก่เราทั้งสองด้วยซึ่งเราทั้งสองคนยังระลึกถึงการที่องค์ท่านทรงมีพระเมตตาแก่เราทั้งสองด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณครั้งนั้นอยู่เสมอครอบครัวเราได้อาพาร์ตเมนต์ที่สร้างใหม่เพิ่งเสร็จสะอาดสะอ้านเป็นที่พักการขึ้นลงใช้ลิฟต์เราอยู่ชั้น5้าของตัวอาคารซึ่งมี9ชั้นข้างล่างใต้ถุนตึก เป็นที่เก็บรถยนต์ของผู้เช่ามีประตูของใครของมันสะดวกสบายมากและการที่เราได้ที่พักแห่งนี้ก็เป็นเรื่องของโลกลมอย่างไม่น่าเชื่อเนื่องจากวันที่เราเดินทางจากเมืองไทยนั้นมีคนไปส่งกันมากนอกจากคุณพ่อคุณแม่พี่โชตและภรรยาแล้วยังมีพี่สาวและพี่เขยของพ่อค้าคนที่ชอบฉันก็ได้ไปส่งด้วยและในวันไปส่ง ก็ได้มอบจดหมายโดยมีตำบลที่อยู่ของลูกสาวของท่านทั้งสองอยู่พร้อมที่เมื่อไปถึงแล้วจะได้อาศัยและให้มาช่วยเหลือเราในเรื่องต่างๆแล้วแต่จะจำเป็นด้วยเหตุผลนี้ครอบครัวเราก็เลยได้หลานสาวของพ่อค้าคนนั้นเป็นผู้หาที่พักให้พร้อมทั้งเครื่องเรือนครบทุกห้องในเวลาอันรวดเร็วซึ่งเราก็ได้ตอบแทนน้ำใจของหลานสาวคนนี้โดยพาขึ้นเครื่องบิน ไปรับรถยนต์เบนซ์ที่สตุตการ์ดด้วยแล้วก็พาเที่ยวไปในเยอรมันระหว่างค้ากลับสวิตเซอร์แลนด์พร้อมกันด้วยความสนุกสนานมากระหว่างที่ครอบครัวเราพักอยู่ที่โลซานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี้ครอบครัวเราเป็นที่รวมของนักเรียนไทยที่ไปศึกษาที่นั่นเป็นส่วนมากในบรรดานักเรียนไทยนี้มีมหาดเล็กของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชทานทุนให้ไปศึกษาเกี่ยวกับกิจการทำอาหารและโรงแรมอยู่ด้วยสามคนคือคุณสหัสพุกการมานคุณอุทัยสุวรรณจินดาและคุณสุภักดีสุวรรณจินดาทั้งสามคนเป็นคนดีเรียบร้อยรู้กาละเทศะเวลาว่างจากการเรียนก็จะไปครุกอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์เราทำอาหารไทยกินกัน บางทีฉันก็จะสั่งแม่ครัวผัดข้าวและผัก ด, ดองอาศัยกระป๋องพากันนั่งรถของเราเบียดกันจนแทบปิดประตูรถไม่เข้าขึ้นไปปูฟ้าแบล็งเกตปิกนิกกันบนภูเขาท่ามกลางพื้นที่ที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนไปหมดเราจะเล่นสไลด์กันพอเหนื่อยก็นั่งนอนพักกันบนผ้าแบล็งเกตและหลับไป ท, ทั้งทั้งที่อากาศหนาวจับใจอย่างสบาย เพราะเราแต่งตัวกันหนาวกันมาเต็มที่ระหว่างปีแรกครอบครัวเราพำนักอยู่ในโลซานแต่เราสองคนจะทัวร์โดยรถยนต์ไปทั่วยุโรปเป็นต้นเยอรมันฝรั่งเศสสเปนเบลเยียมฮอลแลนด์ออสเตรียเดนมาร์กเวนิสอิตาลีและโดยบังเอิญเราไปค้นพบประเทศเอกราชเล็กๆ เ, เข้าประเทศหนึ่งอยู่ติดกันกันกบอิตาลี ใช้ภาษาอิตาเลียนมีพลเมืองขณะนั้นเพียง 16,000 คนกว่าเท่านั้นแต่ก็เป็นประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยมมีการเลือกตั้งกันอยู่พอดีในวันที่เราไปเที่ยวประเทศนี้ชื่อซานมาริโนสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นนาขึ้นตาคือพวกกระเบื้องดินเผาใส่สีเขียนลวดลายสวยงามและผ้าจำพวกบูติกมีขายเต็มไปหมด สั ญ, ญลักษณ์ของประเทศคือปร า, าสาทสามปร า, าสาทอยู่บนยอดภูเขาผู้คนพลเมืองหน้าตาก็เหมือนชาวอิตาเลียนนอกจากจะดูเป็นบ้านนอกกว่าเท่านั้นเห็นเป็นประเทศเล็กๆอย่างนั้นแต่ก็มีรสานอาหาบนยอดภูเขาและมีคนมาสีไวโอลินให้ฟังตามโต๊ะทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นเวลากลางวันทำให้บรรยากาศโรแมนติกขึ้นเยอะเหมือนกัน ประเทศเท่าที่ผ่านานมาฉันชอบคนเยอรมันมากถ้าไม่เป็นเพราะเล่าหลงทางเราก็จะไม่มีโอกาสได้รู้เลยว่าคนเยอรมันดีอย่างไ ร, รเผอิญวันที่เราเดินทางไปถึงเมืองแฟรงเฟิร์ดพอดีกับเขากำลังมีการแสดงสินค้าจากทั่วโลกเปิดขึ้นที่นั่นโฮเตลดีๆถูกบุกเต็มหมดเราสองคนตระเวนขับรถหาที่พักกันอยู่ตลอดวันจนเกือบค่ำแล้ว ต่างอ่อนใจกันทั้งสองคนนึกว่าหมดท่าจริงๆก็ต้องจอดรถนอนในรถกันให้ผ่านไปคืนหนึ่งก่อนพอดีคุณกฤิตขับรถแวะไปซื้อแซนด์วิชตามทางผ่านเพื่อเก็บไว้กินตอนกลางคืนฉันก็ลงไปด้วยเผอิญชาวเยอรมันคนนั้นพูดภาษาฝรั่งเศสได้ฉันเลยเล่าให้ฟังว่าเรากำลังจะต้องนอนในรถกันแล้วคืนนี้เพราะหาที่พักไม่ได้ เขารู้อย่างนั้นรีบขับอาสาพาเราไปอีกไกลพอดูโดยเขาให้เราขับรถตามรถเก่าๆของเขาไปตัวเขาเที่ยวหยุดรถลงไปถามตามวิลล่าที่ผ่านเรื่อยไปจนในที่สุดก็ได้ไปพักที่วิลล่าเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งหลังจากเราขอบใจเขาอย่างมากและพยายามยัดเยียดเงินให้ค่าน้ามันรถเขาแล้วทำอย่างไรอย่างไรก็ไม่ยอมรับ ซึ่งฉันไม่เคยลืมความมีน้ำใจช่วยเหลือของเขาในครั้งนั้นเลยแต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่อารามที่เราเรีบๆกันแม้แต่ชื่อและที่อยู่ของร้านแซนด์วิชนั้นเราก็ไม่ได้จดจำถามไถ่ายเอามาวิลล่าที่เราได้พักหลังนี้เก่าเป็นร้อยร้อปีเพดานอย่างนี้สูงจากตัวเราอีกหลายเท่าตัวพอก้าวเข้าไปก็เย็นยาเยือกเตียงนอนก็แสนจะโบราณ มีเสาสี่เสาและมีเพดานเตียงด้วยที่นอนเป็นสปริงก็จริงแต่ก็ซุดโสมอ่อนยวบแทบจะติดพื้นเตียงอยู่แล้วประตูแต่ละบานเวลาเปิดจะมีเสียงดังอดอแอดน่ากลัวพิลึกทั้งบานประตูก็ทั้งสูงและใหญ่หนักฉันต้องใช้ผลักทั้งสองมือทุกครั้งตอนที่เราเข้าไปพักเห็นมีคนต่างชาติ นั่งอยู่ตามโต๊ะบนระเบียงสองสามโต๊ะอย่างเหงาเหงาโต๊ะละคนสองคนแต่ก็นับว่ายังมีเพื่อนมาอยู่กันถ้าให้เราอยู่กันสองคนกับตาแก่คนต้อนรับเรายังอดถามตัวเองไม่ได้ว่าเราจะเลือกนอนในรถหรือยอมเข้าพักที่วิลล่าหน้ากลัวนี้รุง่งเช้าเราตื่นกินอาหารเชา้าแล้วก็ไปแวะชมสินค้าหน่อยหนึ่งแล้วเลยเดินทางไปเมืองเวสต์บาเดน ซึ่งเป็นที่ที่คุณกริตต้องไปเข้าประชุมเกี่ยวกับหน้าที่กับเจ้านายคนไทยซึ่งบินไปพักอยู่ที่นั่นแล้วพูดถึงปราสาทเก่าแก่แล้วที่ไหนๆก็ไม่มีมากเท่าเมืองหนึ่งในประเทศฝรั่งเศสปราสาทเหล่านั้นเก่าแก่เป็นหลายร้อยปีและทุกปราสาทจะต้องมีห้องขังทาสและที่ทรมานคนและฆ่าคนซึ่งอยู่ลึกลงไปใต้ถุนปราสาท เรายังได้เห็นทั้งโซ่ตรวนที่ฉีกขาคนที่นาบคนด้วยเหล็กเผาไฟสารพัด ท, ที่เราเคยดูในหนังโบราณ น, นั้นเป็นความจริงทั้งสิน้นที่พระราชวังแวร์ไซด์ถ้าเทียบกับพระราชวังเชิญบุญของประเทศออสเตรียแล้วสู้กันไม่ได้เลยทั้งความกว้างใหญ่ไพศาลและงดงามวิจิตรการตาเชิญบุญนั้นกินดิบแต่ที่แวร์ซด์ได้เห็นเตียงนอนของ นโปเลยองซึ่งดูแล้วไม่น่าเชื่อเลยว่าสมัยหนึ่งจะเป็นผู้มีอิทธิพลสูงสุดที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจะเกรงขามนักหนาเพราะเตียงนอนนั้นทั้งเล็กและสั้นนิดเดียวแต่ก็นั่นแหละความสำคัญนั้นไม่ได้อยู่ที่รูปร่างหากอยู่ที่สมองที่ฉลาดหลักแหลมในการตัดสินใจและปลกครองคนด้วยกลวิธีของสมองที่สั่งการต่างหากฉันและคุณกฤิ ใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศด้วยความสุขอย่างที่สุดเราอยู่ในโลซา น, นีปีเศษจึงอพยพครอบครัวไปอยู่อังกฤษเพื่อให้ลูกสาวได้ไปเข้าเรียนวิชาเลขานุ ก, การินีต่อเราไปเช่าบ้านพร้อมที่ดินมีสนามหญ้ามีต้นแอปเปิลต้นแพร์อยู่ที่เมืองบอนมัตเมืองนี้มีแต่คนเก่าๆที่กเกษียณแล้วไปพำนักกันเต็มไปหมดฉันไปอยู่ใหม่ ไม่ถูกกับอากาศที่ทำให้ง่วงนอนตลอดเวลาและไปเป็นความดันต่ำถึงกับล้มลงสลบไปคืนนั้นบังเอิญคุณสหฮัดพุกกระมานไปเยี่ยมและได้นอนพักอยู่ที่ห้องรับแขกได้ลุกขึ้นมาช่วยพยุงและตามหมอไม่เช่นนั้นฉันอาจจะเป็นอะไรไปแล้วก็ได้เพราะคุณกฤิตหลังจากพาครอบครัวมาส่งที่อังกฤษแล้วก็ยังต้องไปเข้าคอสุดท้ายต่อที่สวิตเซอร์แลนด์อีก เราจึงอยู่กันตามลำพังแม่ลูกและคนใช้หนึ่งคนเท่านั้นแต่ฉันเหงาอยู่ไม่นานมหาดเล็กที่น่ารักทั้งสมคนก็ข้ามตามไปเรียนที่อังกฤษและพักที่เมืองเดียวกันนี้ด้วยที่ประเทศเยอรมันจำไม่ได้ว่าเยอรมันหรืออิตาลีมีที่ฝังศพประหลาดอยู่แห่งหนึ่งพวกเขาเรียกว่าทุมเราต้องเดินลงบันไดดินลงไปใต้ดินจริงๆ และจะมีทางเดินแคบๆพอเดินได้คนเดียวเท่านั้นโคดไปเขียวมาแต่สองข้างทางตัวเราจะมีแต่ศพที่มาฝังไว้นับเป็นพันปีบางคนเป็นศพผู้หญิงแต่งตัวชุดขาวนอนอยู่ในโรงแก้วไม่เห็นเปื่อยเนา่าเมื่อตายยังอยู่ในวัยสาวมองเห็นยังกับคนนอนหลับไม่เข้าใจเลยว่าเขาทำกรรมวิธีอย่างไรศพจึงไม่เปลี่ยนสภาพ แม้เวลาจะล่วงเลยมานานแล้วมีอยู่อึดใจหนึ่งฉันเกิดความรู้สึกประหลาดที่มีความรู้สึกคุ้นเคยกับสถานที่นี้ขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกตัวก็เบาๆคล้ายฝันเป็นอยู่ประเดียวเดียวและคิดว่าตอนที่ใครเห็นหรือพูดอะไรไม่ได้ยินเลยคล้ายครึ่งหลับครึ่งตื่นเมื่อกลับขึ้นมาอยู่บนรถฉันได้เล่าให้คุณกฤิฟังและคุณกฤิก็ยังตอบว่า รู้สึกเหมือนกันว่าเห็นฉันเดินตามเหม่อๆอยู่ตอนผ่านศพที่ลงแก้วไปไม่นานหลังจากจบหลักสูตรจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งทำให้เราต้องจากกันถึงสเดือนเต็มๆคุณกฤิตก็ขับรถข้ามประเทศกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอังกฤษอีกปีกว่าเราจึงอพยพครอบครัวกลับเมืองไทยจบีพีที่5แล้วนะครับติดตามอีพีที่6ได้ในเร็วนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ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 จึงจะไปพบลูกค้าที่นัดมารับโคตาและจัดการเรื่องรายได้ที่ส่งเข้าต่างๆนำมาจ่ายค่าโคตาถ้าฉันจำไม่ผิดเพียงไม่กี่เดือนหลังจากแต่งงานท่านรัฐมนตรีก็ออกจากตำแหน่งฉันก็เลยเลิกกิจกา ร, รแผนกนี้เปลี่ยนเป็นสัางเรือใหญ่มาจากญี่ปุ่นเพื่อมาบรรทุกทั้งสินค้าและรับชาวอิสลามไปเมืองมกกะเพื่อนมัสการตามประเพณีเก่าแก่ของเขา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 ใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศด้วยความสุขอย่างที่สุดเราอยู่ในโรซา น, นีปีเศษจึงอพยพครอบครัวไปอยู่อังกฤษเพื่อให้ลูกสาวได้ไปเข้าเรียนวิชาเลขานุ ก, กาลิเนีต่อเราไปเช่าบ้านพร้อมที่ดินมีสนามหญ้ามีต้นแอปเปิลต้นแพรอยู่ที่เมืองบอนมัตเมืองนี้มีแต่คนเก่าๆที่เกษียณแล้วไปพำนักกันเต็มไปหมดฉันไปอยู่ใหม่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 รู้สึกเหมือนกันว่าเห็นฉันเดินตาเหมื่อๆ อ, อยู่ตอนผ่านศพที่ลงแก้วไปไม่นานหลังจากจบหลักสูตรจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งทำให้เราต้องจากกันถึงสมเดือนเต็มๆคุณกฤิก็ขับรถข้ามประเทศกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอังกฤษอีกปีกว่าเราจึงอพยพครอบครัวกลับเมืองไทย